สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่ห้าร้อยสี่สิบเรื่องพระเยซูในพระธรรมฮีบรูครั้งที่สี่สิบห้าพระชนะของพระเจ้าอยู่ในฮีบรูบทที่สิบเอ็ดข้อที่ยี่สิบสามนะครับผมอ่านจนถึงข้อที่สามสิบเอ็ดโปรดฟังโรชนะของพระเจ้าเพราะความเชื่อฉะนั้นเมื่อโมเสกเกิดมา บิดามารดาจึงได้ซ่อนท่านไว้ถึงสามเดือนเพราะเห็นว่าท่านเป็นเด็กรูปงามและบิดามารดาของท่านไม่ได้กลัวคําสั่งของกษัตริย์เลยเพราะความเชื่อเมื่อโมเสสโตแล้วท่านไม่ยอมให้ใครเรียกท่านว่าเป็นบุตรของธิดากษัตริย์ฟารโรท่านเลือกการร่วมทุกข์กับชนชาติของพระเจ้าแทนการเริงสําราญในความชั่ว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 ผู้ประหารบุตรหัวปีมาถูกต้องพวกอิสราเอลได้เพราะความเชื่อพวกอิสราเอลจึงเดินข้ามทะเลแดงเหมือนกับว่าเดินบนดินแห้งแต่เมื่อพวกอียิปต์ได้ลองเดินข้ามดูบ้างก็จมน้ําตายหมดเพราะความเชื่อเมื่อพวกอิสราเอลล้อมกําแพงเมืองเยรรโครไว้ถึงเจ็ดวันแล้วกําแพงเมืองก็พังลงเพราะความเชื่อราหบหญิงแพทยยาจึงไม่ได้พินาศไปพร้อมกับคนเหล่านั้นที่ไม่ได้เชื่อ พ่อนางได้ต้อนรับคนสอบแนนเป็นอย่างดีนะครับเมื่อวานนี้นะครับเราได้พูดถึงอับราฮัมอิสอักและยาโคบแล้วเราก็ได้ความรู้ใหม่ก็คือว่าอับราฮัมนั้นเขามีความเชื่อเรื่องการเป็นกันดิความตายเพราะในข้อที่สิบเก้าได้เขียนอย่างนี้ว่าท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถชุบคนตายให้ฟื้นได้ ฉะนั้นกล่าวโดยอุปมาได้ว่าท่านได้รับบุตรกลับคืนมาเพื่อนครับในวันนี้เราจะมาดูว่าโมเสสนั้นมีความเชื่อความเชื่อของโมเสดได้รับถ่ายทอดมาจากบิดามารดาบิดามารดาได้สำแดงและพิสูจน์ความเชื่อซ่อนท่านไว้ถึงสามเดือนนะครับและไม่เพียงแต่เท่านั้นบิดามารดาก็ไม่ได้กลัวคําสั่งของกษัตริย์ด้วยทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่สําคัญกว่าคําสั่งของ ผู้ปกครองประเทศก็คือพระดํารัสของพระเจ้าแล้วเห็นนะครับว่าจริยธรรมที่สูงที่สุดก็คือการเชื่อฟังจริยธรรมที่สูงที่สุดก็คือการถือรักษาพระดํารัสพระสัญญาของพระเจ้าเหนือกว่าสิ่งอื่นใดในข้อยี่สี่บอกว่าเพราะความเชื่อเมื่อโมเสสโตแล้วท่านไม่ยอมให้ใครเรียกท่านว่าเป็นบุตรของทิดากษัตริย์ฟาโรท่านครับ เมื่อโมเสสโตขึ้นมาแล้วท่านไม่ยอมให้ใครเรียกว่าเป็นบุตรชายของทิดาฟาโรนั่นหมายความว่าท่านเลือกอยู่ฝ่ายพระเจ้าแทนที่จะอยู่ฝ่ายมนุษย์ซึ่งมีทรัพย์สมบัติมากมายพีังครับความเชื่อแบบนี้นะครับเป็นความเชื่อที่ถูกส่งต่อมาอยัางบิดาของโมเสสและโมเสสนั้นก็ส่งต่อไปให้ประชากรของพระเจ้าสัญญาต่าง พระสัญญาต่างๆของพระเจ้าที่ได้ทรงกระทำต่อบรรพ ร, พรชนบรพรพชนหรือพ่อหมู่ของพวกเขาพวกเขาจึงเชื่อถือในพระองค์และด้วยเหตุนี้ครับการซ่อนตัวก็ดีการไม่กลัวคําสั่งของกษัตริย์ก็ดีหมายถึงเหตุการณ์ในอพยพบทที่หนึ่งครับที่ฟาโรห์สั่งให้ประหารชีวิตทารกเพศ ช, ชายตอนคลอดออกมาให้หมดเพราะบิดามารดาของโมเสสเชื่อคําตรัสของพระเจ้านะครับพระเจ้าก็สงวนชีวิตของโมเสสว้ นะครับโมเสสก็เชื่อฟังและโมเสสเติบโตขึ้นนะครับพระเจ้าอวยพรและท่งยอมให้ท่านได้รับการ ฝ, ฝึกฝนอบรมจากมารดาของท่านที่ดำเนินตามทางของพระเจ้ามารดาของโมเสสก็ส่งต่อพระสัญญาต่างๆของพระเจ้ามาให้โมเสสครับเพราะฉะนั้นโมเสสมีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าชายเป็น p r i n c ์อ f ฟ g ี p ินะครับในพระชวังของประฟาโล อียิปต์นั้นเป็นประเทศที่มีอำนาจมากที่สุดและร่ำรวยที่สุดของโลกในสมัยนั้นแต่ด้วยความเชื่อโมเสสก็ปฏิเสธอภิสิทธิ์นี้เสียพีองครับหากวันนี้มีคนที่จะบอกว่าให้เรามีอำนาจมากมายล้นฟ้าล้นแผ่นดินแลกกับการที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเราจะเลือกใครครับโมเสสนั้นมีมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธนะครับ และในที่สุดท่านก็เลือกทางเคี่ยปฏิเสธโดยเลือกการร่วมทุกข์กับชนชาติของพระเจ้าแทนการเริงสําราในความบาปของโลกของประเทศอียิปต์นั่นเองโมเสสเชื่อในคําตรัสของพระเจ้าท่านจึงตัดสินใจครั้งสําคัญซึ่งเปลี่ยนชีวิตของท่านไปตลอดกาลครับพี่น้องท่านถือว่าความอัยศของพระคฤทธิ์นะครับประเสริฐกว่าครังทรัพในประเทศอียิปต์พี่น้องครับตรงนี้ ทำให้เราเห็นชัดเจนนะครับว่าโมเสสนั้นเลือกพระเจ้านะครับมากกว่าเลือกอียิปต์เลือกพระเจ้ามากกว่าเลือกเงินทองชัดเจนนะครับแต่ว่าในข้อที่ยี่สิบหกครับเป็นข้อที่มีคําถามบอกว่าท่านถือว่าการทดลองต่อความอัพยศเพื่อพระคริสต์ประเสริฐกว่าสมบัติของประเทศอียิปต์เพราะท่านหวังบําเหน็จที่จะได้รับนั้นพี่น้องครับโมเสสนั้นไม่ได้เจอพระคริสต์ครับแต่ทําไมฮีบรู ถึงได้เขียนว่าท่านถือว่าการอดทนต่อความอับยะตเพื่อพระคริสต์ประเสริฐกว่าสมบัติของประเทศอียิปต์มีกรรมอธิบายครับก็คือว่าผู้เขียนนั้นกำลังเชื่อมโยงระหว่างผู้อ่านฮีบรูกับโมเสสเพราะว่าผู้อ่านฮีบรูนั้นรู้จักพระเยซูครับและผู้อ่านฮีบรู ก, ก็อยู่ในความทุกข์ยากลาบากเพราะฉะนั้น ผู้เขียนกำลังหนุนใจผู้อ่านบอกว่าการอดทนนะครับเพื่อพระคริสต์ก็เปรียบเสมือนกับการที่โมเสสนั้นได้รับความอภอิยดศโดยท่านไม่ได้เลือกอียิปต์แต่ได้เลือกพระเจ้าแทนถามว่าสาเหตุที่ท่านเลือกอียิปต์ท่านไม่เลือกอียิปต์และเลือกพระเจ้าแทนเพราะอะไรครับคมพีตอบว่าเพราะท่านหวังบาเหน็จที่จะได้รับนั้น บําเน็ตตรงนี้คือบําเน็ตแห่งแผ่นดินสวรรค์ครับพี่น้องครับท่านถือว่าความอัปยศของพระคลิปประเสริฐกว่าครังทรัพย์ในประเทศอียิปต์นะครับคำว่าหวังนะครับคว่าหวังตามภาษาตรีกนั้นมีความหมายว่าดวงตาจับจ้องนะครับดวงตาจับจ้องดวงตาโฟกัสนะครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่บําเน็ตที่จะได้รับนั้น เกาวโดยอีกในหนึ่งก็คือสายตาของโมเสยนั้นจดจ่ออยู่ที่บำเดน็จและความมั่งคั่งที่พระเจ้าได้สัญญาไว้มากกว่าที่จะสนใจความมั่งคั่งของโลกที่มองเห็นนั่นคือความเชื่อครับความมั่งคั่งและบำเด็จที่พระเจ้าสัญญาไว้นั้นยังมองไม่เห็นแต่ด้วยความเชื่อ <c oughs> เขาเห็นนะครับและเขาจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นมากกว่าที่จะจดจ่อหรือสนใจความมั่งคั่งที่มองเห็นในโลกนี้ ท่านรู้ว่าความเริงสำราญในความบาปที่มีอยู่แล้วในประเทศอียิปต์นั้นนำมาซึ่งความพอใจเพียงชั่วคราวจริงๆแล้วก็อาจจะมีความเพิ่เพลินในความบาปอยู่ด้วยแต่มันก็อยู่เพียงประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นโดยความเชื่อโมเสสมีวิจรราณญาณที่จะรู้ว่าพระพรต่างๆที่พระเจ้าได้สัญญาไว้นั้นดำรงอยู่ชั่วนิจลันชั่วลูกชั่วหลานนะครับโดยความเชื่อท่านจึงเลือกบำเหน็จระยะยาวของพระเจ้า มากกว่าที่จะเลือกความเพลิดเพลินในความบาปนั้นเนะครับคําถามที่ผมอยากจะถามพี่น้องในวันนี้ก็คือเราเลือกอะไรครับเราเลือกบาเน็จระยะสั้นหรือเลือกบาเน็จระยะยาวเลือกบาเน็จระยะยาวของพระเจ้านะครับหรือเราจะเลือกความเพลิดเพลินในความบาประยะสั้นพี่น้องครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญครับเรา เป็นค่าสองเจ้าเ่าสองนายไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเลือกและถ้าเราเลือกถูกชีวิตของเราก็จะก้าวหน้าดำเนินต่อไปนะครับและมีวิจารยา น, นะครับวิจารยาขอพระเจ้าช่วยเราให้เรามีวิจารยานที่จะรู้ว่าพระพรต่างๆที่พระเจ้าสงสัญญาไว้นั้นดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์อาเมน